50 languages. 82 y a m b a t y a r a d Aditakar 2. Bhutakala y a d o Then you have to call an ambulance. Nino ambulance a r e b e k a i แล้วคุณต้องเรียกหมอไหมนี่หนูไว้ยะรนูเครียบเบกัเตแล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหมนี่หนูโปล ي ส์รนูเครียบเบกัเตคุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะนิมมาบาลัลีเทรศัพทสังเขอิดเอเยนัน่นนะบัลีอิดูวะริกเกอิตู คุณมีที่อยู่ไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะนิมมะบาลีเวลาสอยเดยนันน่าบาลีอิดูวะเรเกออิตุคุณมีแผนที่เมืองไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะนิมมะบาลี น, าานัารดำนกเชอีเดยนันน่บาลีอิดูวะเรเกออิตุเขามาตรงเวลาไหม เขามาตรงเวลาไม่ได้ค่ะอาโน่สริยาดสมัยเก็บบันทิดเนี่ยเอาหนึ่งเกี่ยสี่ยอดสมัยเก็บรลูออลิลเขาหาทางพบไหมเขาหาทางไม่พบค่ะอาหนงเกี่ยดาริสิ ก, กิเตเอาหนึ่งเกี่ยดาส ก, กลิลเขาเข้าใจคุณไหมเขาไม่เข้าใจดิฉันค่ะ อวันนนินนั่นนู้อัตตาไม่นละเนออนนันตาดคลิลาทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้คะนินาเกสเรียดเวลาเก็บบาราลิก e กอเยเกอเาลลาทำไมคุณหาทางไม่พบคะนิน a เกสดารีเยเกสิกาลลาทำไมคุณไม่เข้าใจเขาคะ นี่นูอ้อวนั่นูยังเกี่ยอราไม่ได้คุ้มลล ะ, ลละดิฉันมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมยาว่บัสสูวอดุติร์เลล่ละอดดารินดานานัเกสี่ยอดสมัยกัเกบรลูอกลละดิฉันหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมืองนันน่บลลีนกรดนักเช ย, ยิ่ล่เดยอดดรินด น, นั่นอะไรด่าดิสิกลิลลดิฉันไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไปสังกตดาอ บ, บรดินดากี น, า น, กานั น, นอะอวนนนอัตต า, าด้ค ล, ลลูอากลิลดิฉันต้องนั่งรถแท็กซี่นานแท็กซี่อลลีบรบกตุดิฉันต้องซื้อแผนที่เมือง นานูวุ่นดูนักการนักเสียนุผลลับเบกัยตูดีฉันต้องปิดวิทยุนานูเรดิโอวันนุอาริษาเบกัยต